คิดว่าป่วยกันหลายคนใช่ไหมให้ป่วยจะร่างกายนะใจต้องไม่ป่วยพระพุทธเจ้าเวลาท่านเจ็บป่วยท่านป่วยไข้โลักษณะอาการนี่เข้มแข็งมากเลยนะประกาศให้สาวกของพระองค์รู้กันเลย <c oughs> ดูกอนภิกสุทั้งหลาย แม้ร่างกายเราจะเจ็บจะป่วยจะไข้แต่จิตของเราไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ด้วยถึงร่างกายเราจะออดออดแอดแอดแต่จิตของเราไม่ได้ออดออดแอดแอ ด, แอ ด, ด้วยสแสดงว่าพระพุทธเจา้ามีพระไทยเทมแข็งมากเข่มแข็งได้ก็เพราะอำนาจของธรรมะที่พระองค์ทรง ถ้าพเพียรพยายามสร้างบารมีจนกระทั่งตั ส, สรู้ถึงความจริงคือรู้ธรรมชาติทั้งหมดรู้ว่าสีทั้งหมดทั้งสิง่ทั้งกวงนี้คือธรรมชาติทท้งนั้นเอง มันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแทรกขึ้นมานอกนั้นเป็นธรรมชาติหมดแต่มีจิตหนึ่งในจิตของแต่ละคนซึ่งมีความหลงผิดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวก่อเกิดแทรกซ้อนขึ้นมาในธรรมชาติอันนี้ จริงๆแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติหมดแต่ความหลงคืออวิชชามันสร้างอัตตาสร้างตัวตนแทรกขึ้นมาว่านี้คือเรานั่นคือของเรานี้คือตัวกูนั่นคือของกูมีตัวกูมีของกูอยู่ตลอดไปเพราะว่าความหลงผิด น, นี้มันซ้อนซ้อนอยู่ใน จิตของเราเพอจิตตัวนี้มันมีอวิชชาด้วยอำนาจของอวิชชามันจึงหลงว่ามีเราอยู่อย่างนั้นตลอดไปพพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้ที่นี่ได้ทำลายอาวิชชาทำลายความหลงผิดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหมดสิน้นดับไปหมดดับหมดดับได้ไม่ใช่ดับไม่ได้แสดงว่าอาวิชชาดับได้จริง พระพุทธเจ้าดับได้เป็นพระ อ, องค์แรกแล้วก็ทรงสอนสาวกของพระองค์ถ้าหากว่าเราฟังดูไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่เชื่อว่าจะทำลายความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเรานี้ได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติ กายก็เป็นธรรมาชาติอาศัยกินน้ำลมไฟก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวเราสมมุติว่าเป็นตัวเราแล้วก็อาศัยวิญญาณธาตุเข้ามาสถิตยอยู่ในกองแห่งดินน้ำลมไฟแบบนี้แล้วก็เหตุปัจจัยตามธรรมาชาติก็ทําให้เจริญเติบโตขึ้นมาความหลงผิดคิดว่าเป็นเราก็เลยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามลําดับ โดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลรูปะกายอันนี้ก็คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองจิตใจดวงนี้ก็เป็นแค่วิญญาณธาซึ่งสุดท้ายก็ต้องกลับคืนไปสู่ธรรมชาติถ้าตาบใดที่อวิชชายังไม่หมดไปจากจิตใจของแต่ละดวงจิตดวงนี้จะต้องวบเวียนละหกละเหิน เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสองสารตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายัางสถานที่แห่งนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าหาได้ยากในชีวิตของแต่ละคนเพราะมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้เข้ามาสนใจความเป็นจริงเข้ามาดูความจริงภายในจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเนี่ย มันยังมีความลุ่มหลงมากน้อยแค่ไหนอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ตรงนี้คือไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้ว่าสิ่งทั้งพวงอ่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นแค่สิ่งซึ่งเกิดและกระดับสิ่งที่แตกดับสลายไปมันเป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในทีนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่าเป็นทุกข์ในใจหรือว่าทุกข์ คือความบีบคั้นเท่านั้นทุกในความหมายที่สมบูรณ์ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่เลยมันว่างเปล่าเพราะฉนั้นทุกสปปรรพสิง่งมันจริงล้วนว่างเปล่าจากตัวตนความบีบคัน้นทางกายมันเจ็บป่วยไข้เกิดขึ้นมันก็หายได้ หรือหายหรือไม่หายก็ตามมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นเรื่องของระบบของร่างกายเท่านั้นเองจิตใจของเรามันนึกคิดปรุงแต่งมันรู้สึกอะไรขึ้นมามันก็ชั่วคู่ชั่วคราวชั่วยามเสร็จแล้วก็สลายไปไม่ว่าฝ่ายลูกหรือฝ่ายนามมันเกิดแล้วก็ดับ มันเกิดดับไปมันไม่มีตัวตนมันว่างเปล่าจากตัวตนท่านเรียกว่ารวมเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์รวมทั้งความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทางกายรวมทั้งความเจ็บช้ำน้ําใจความทุกข์ทางด้านจิตใจด้วยดูเพราะนั้นความทุกข์เนี่ยมันจึงกว้างมากการที่ไม่รู้ว่าทุกสรรพสิ่งเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกเนี่ยมันจึงมีตัวตนก่อเกิดขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมา ถ้าว่าเราร่วมเป็นแค่สภาวะซึ่งมันเกิดแล้วก็ดับมันว่างเปล่าอจากตัวตนมันก็จะไม่มีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่รู้รู้แล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันมันเกิดแล้วมันก็จะดับไปแต่ถ้าหาว่าเราไม่เห็นตรงนี้เมื่อมีตัวตนมันก็จะมีสิ่งหนึ่งแทรกอยู่ในความรู้สึกว่าเป็นตัวตนนั้นรวมด้วยก็เกิดขึ้นมาก็คือตัวตนณห ไม่อยากให้เราเป็นทุกข์อยากให้เรามีความสุขมันจะมีเราแทรกขึ้นมาอยู่ตลอดทำอะไรก็เพื่อตัวเราให้เรามีความสุขตัณหาก็จะคอยบงการว่าทำอย่างนั้นสิจะเป็นสุขทำยางนี้สิเป็นสุขเราหลงตามมันอยู่แล้วเราก็จะค้อยตามมันทำตามอำนาจของเเพราะนั้นเวลาตัวที่แสดงออกชัดแจ้งจริงๆที่ทาให้เป็นทุกข์ก็คือตัวตัณหานี่ง แต่ตัณหานี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนจริงๆเพราะมันก่อเกิดขึ้นเป็นครั้งครเหมือนกันเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันถ้าหาว่าเราตามไม่ทันตัณหาเราก็จะมีอุปทานไปยึดอุปทานหมายความว่าเรายึดตัณหาเราจะทําตามวินาศคองตัณหาการกระทําตามวินาศของตัณหาพยายามที่จะทําตามวินาศคุกตัณหาก็คือตัว นี่อุทานมันก็เลยสร้างเรื่องราวอยู่ตลอดไม่มีจบสิน้นแล้วเราก็จะหมุนไปทำกรรมเขาเรียกกรรมมาพบกรรมก็จะผลักดันให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเกิดเป็นชาติมัก็จะมีร่างกายมีขันห้าสมบูรณ์เพื่อรองรับกรรมที่เราทํานั้นการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยมีอยู่ตลอดเวลาตลอดไปด้วยอานาจของวิชา วิธีที่จะรู้ทันอำนาจของอวิชชาคือยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ะไอตัวจิตเนี่ยมันไปหลงแล้วมันก็ไปยึดยึดไว้แล้วมันมีมันมีอวทานยึดเอาไว้ตัวที่ทําหน้าที่ที่มันยึดมันก็ไปจดจํามันไปจดจําจดจําเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขมันไปจํำมาตามหน้าของปัญหาว่าถ้าได้อันนี้แล้วจะมีความสุขมันจําไว้ปั๊ปปั๊ปปั๊ป เพราะนั้นไอ้ตันหาซึ่งมันเกิดจากไอ้พวกสัญญาเนี่ยสัญญาความจำอันนี้ที่มันจำเพื่ออำาจของตันหาเนี่ยมันจํำอาไว้จํำมาไว้จํำมาไว้ไปเห็นอาหารอร่อยอร่อยมันก็จะจํำมาไว้ไปเห็นของสวยๆงามมันก็จํำอาไว้ว่าอันนี้ได้อันนี้แลาจะดีได้อันนี้เรามีความสุขเห็นคนถูกใจหน่อยมันก็จํำมาไว้ว่าคนนี้ดีเหมาะสมสําหรับเราไปเห็นอะไรสวยๆงามๆคือถูกใจมันจะจํำมาไว้ว่าเพื่อนเรา ใจเราถ้าเราได้มันแล้วจะมีความสุขอันไหนเราไม่ชอบใจเราจะผลักดันต่อต้านมันได้มาแล้วจะเป็นทุกข์อยากให้สิ่งนั้นกลับไปสลายไปสัญญานี้มันจะเต็มอยู่ในหัวใจของเราในจิตใจของเรามันเป็นสัญญาหลงผิดหลงผิดจะทําอะไรเพื่อตัวเราอยากให้เรามีความสุขตามหน้าของปัญหาก็คือมีอวิชาอยู่เบื้องหลังนั่นเอง อันไหนมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากเอาเราก็จะต่อต้านสัญญาเหล่านี้มันลุมเราอยู่ในจิตใจของเราเวลามันจะคิดขึ้นมามันจะต้องดึงสัญญามจะดึงมาดึงเรื่องราวมาก่อนตึบขึ้นมาจากนั้นก็จะปรุงแต่งไปปรุงแต่งออกไปทางวโนกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมหมุนเวียนวกวนทําให้เรานี่ต้องบกวนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุด สัตว์โลกทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้กันเพราะอะไรเพราะว่ามีอํานาจอาวิชชามันครอบครองจิตใจครอบงําจิตใจแล้วก็มีตัณหามันหลงว่าเป็นเราแล้วมันก็อยากทําให้เรามีความสุขอยากให้เรามีความสุขบ่อยเข้ามันก็เป็นอานาจของอุปาทานไปยึดเอาไว้แล้วแล้วก็เป็นเหตุให้ทํากรรมตามอํานาจของอุปาทานนั้นก็คือกรรมบก เมื่อมีกรรมมพบก็เกิดอุปัติภพขึ้นมาก็คือเกิดเรื่องราวขึ้นในจิตปุุงแต่งขึ้นในจิตแล้วก็เกิดเป็นชาติถ้าตายลงไปเมื่อไหร่ชาติก็สมบูรณ์หมายความมีร่างกายเพื่อรองรับผลของกรรมที่ตัวเองได้กระทำเพราะฉะนั้นการง่ายมากที่เราอยากจะรู้ว่าเอ้เราตายแล้วเราจะไปที่ไหนถ้าเรายังนั่งตายแล้วไปที่ไหนเราคอยสังเกตุจิตเราก็ได้ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันมีสภาวะจิตเป็นยังไงถ้าจิตของใครมีความเศร้าหมองขุ่นมัวหรมันก็จะไปอบัยภูมิหรือว่าจิตจิตที่เล่าร้อนบ่อยๆโกรธเครื่องบ่อยๆรุ่มร้อนประเภทรุ่มร้อนก็ไปไปนรกประเภทที่อยากอะไรมากมายเกินความจะเป็นมากๆหรือว่าเป็นภูมิของเปลกแปลเมือยลอยหรือว่าขาดสติ เอเพิินก็เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครมีจิตใจที่รู้จักทําบุญซุ่งทานรักษาศีลภาวนาบ้างก็เป็นมนุษย์ถ้าจิตใจกว้างขวางมากขึ้นไปอีกชอบช่วยเหลือคนอื่นเสียสลาเพื่อส่วนรวมด้วยทําบุญซุ่งทานด้วยรักษาศีลภาวนาไปด้วยอันนี้ก็เป็นภู้เทว ด, ดาแต่จิตของใครอยู่กับความสงบอยู่กับความสงบ เรไปเป็นพร ม, มโลกแต่ถ้าจิตดวงใดที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์อริยมรรคมีกำลังสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่สามารถปรจจัยได้บรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุนิพพานได้บรรลุโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผล สกทาคามีมกักสกทาคามีผลอนาคามมากักอนาคามีผ ล, อ า, าผลอาหัตมกัอมกอลัปผลได้นี่มันทางเดินของจิตทางเดินของชีวิตก็จะมีแบบนี้แต่การที่จะออกจากวัฏตสัสุงสารไดนั้นตัวสำคัญก็คือตัวสัญญาสัญญานี่มันจดจำว่าเรื่องกล่าวต่างๆเพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจของอริชาอำนาจของตันถ้าเราไม่รู้เท่าทานันอาการของพวกนี้ พวกอวิชชาตัญหานี่เราจะหลงว่ามันเป็นเราไปหมดเลยเห็นอะไรดีจิตเรามันก็จะไปตัดสินว่าวันนี้ดีสาหรับเราถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขมันก็เกิดความอยากขึ้นลงขณะนั้นมันไม่มีปัญญาที่จะอบรงจิตอาวิชชาตัญหามันทำให้เกิดสัญญาที่มันผิดผิดจำผิดผิดมามันจะเอาเพื่อตัวเราขึ้นมา หรือว่ามันเห็นใครที่ดีกว่าเรามันก็ไปเปรียบเทียบกันแล้วมันก็จะสรุปออกมาว่าเขาดีกว่าเราแล้วมันความทนไม่ได้มันก็จะเกิดขึ้นมันทนไม่ได้ที่เขาดีกว่าเราหรือเขาด้อยกว่าเรามันก็จะแสดงมานะออกมาว่าเราใหญ่กว่าเราเด่นกว่าเราดีกว่ามันจะมีมานะไปข่มก็ื่น ที่จริงมันไม่ได้อยู่ไปเด่นกว่าเขาหรอกแต่มันสรุปเอาเองว่าเราเด่นกว่าแล้วก็พยายามยกตัวขึ้นมาเนี่ยไอตัวสัญญามันจําไว้ว่าเราเด่นกว่าแล้วมันต้องพยายามจะสร้างภาพขึ้นมาว่าท่าทางของผู้ที่เด่กว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอตัวสัญญาเนี่ยมันสร้างปัญหาเพราะคนเราจะคิดได้เนี่ยมันต้องมีสัญญามาเสมออันนี้เขาเรียกว่าสัญญาที่ผิดสัญญาที่ซับซ้อน สัญญาที่ไม่มีปัญญาเข้ามาประกอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวทิฏฐิไอ้สัญญาที่มันเกิดจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมันก็ทำให้ไปจดจำอะไรผิดๆเพราะว่ามันตัดสินแล้วว่าความเห็นอย่างนี้ดีความเห็นอย่างนี้ถูก มันเชื่อตามความเห็นของตัวเองสัญญาไม่จะจดจำเอาไว้ถ้าผิดไปจากความเห็นนี้ไม่ใช่ก็ความเห็นอย่างเรานี้เท่านั้นที่จะถูกต้องเนี่ยมันก็เลยสัญญาเนี่ยมันมาจากปัญหามาจากมานะมาจากทิฏฐิเพราะฉะเวลาแสดงออกมาเนี่ยสัญญามันจะดึงเรื่องเข้ามาแล้วสังขารก็จะปรุงแต่งไป ถ้าเราไม่ทันจิตของเราเนี่ยเราจะไม่ทันจะไม่ทันพวกสัญญาผิดๆเหล่านี้เราจะไม่สามารถยังยั้สัญญาที่ผิดๆนี้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งมากท่านรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของชีวิตก็คือต้องมีสติมีสติมีสติมีสติอยู่เรื่อยไปการมีสติเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีเราตั้งแต่ทีแรกนะสิ่งทั้งปวงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสภาวธรรมตามธรรมชาติมันหมุนไปตามธรรมชาติเฉยๆเพื่อที่จะไม่ให้ตัวความหลงผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเกิด ข, ขึ้นมาได้เพราะฉะั้นเวลาปฏิบัติธรรมนี่ที่รัสสั้นที่สุดก็คือวางใจวางใจเลยว่าไม่มีเราต้องทาใจว่าไม่มีเรา ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราที่แรกเราปฏิบัติซะก่อนแต่ว่าปฏิบัติเพื่อความไม่มีเราไม่มีตนตัวตนของเราเพราะมันไม่มีเราตั้งแต่ทีแรกสิ่งทั้งปวงเป็นธรรมชาติเป็นศักแต่ว่าธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองแต่ว่าไอความหลงผิดเนี่ยความเข้าใจผิดคือวิ ช, ชาเนี่ยมันแทรกซ้อนขึ้นมามันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วมันก็ไปจดจํำผิด มีเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องรู้เท่าทานันรู้เท่าทันจิตของเราโดยเฉพาะสัญญามันจะดึงเรื่องเข้ามาถ้าใครรู้ทันสัญญาเนี่ยตัวสัญญามันดึงเรื่องเข้ามามันจะเกิดความคิดขึ้นมาถ้าเราทันสัญญาความคิดก็จะดับทันความคิดตัญหาก็จะดับไปด้วยเหตแห่ง ท, ทุกข์ก็จะดับ เพราะหน้าที่ของเราเนี่ยต้องพยายามที่จะเจริญสติพยายามที่จะปฏิบัติตามตามคำสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามายังสถานที่ที่พุทธเจ้าทรงตักสรุปแล้วเราก็พอรู้ช่องทางที่จะปฏิบัติตามพระพุทธจาเพราะเราก็พยายามที่จะเจริญสติพยายามมีสติแล้วก็วางใจวางใจว่าไม่มีเราพยายามระ ง, งับยับยั้งความรู้สึกว่าเป็นเรา ถ้าเรายังไม่ทันทจริงๆมันหลุดออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็พย า, มมา ย, พยามใหม่อีกพยายามใหม่อีกพยายามไม่ให้มีเราขึ้นมาถ้าสติเราดีขึ้นดีขึ้นเราจะทันจิตของเราก็จะเห็นอาการของจิตเนี่ยมันก็เพิ่มตัวมันไหวตัวเป็นเราขึ้นมาก็เกิดเป็นเราขึ้นมาเราก็พยายามรู้มันถ้ารู้ทันมันมันก็จะดับไปความเป็นเราก็จะดับไปมันก็ดับไปเป็นช่วงๆ บางทีมันก็กรอกเกิดขึ้นมาใหม่เพวันถ้ามันยังไม่ดับมันยังไม่หมดจดนี้เรายัางไว้ใจไม่ได้เพราะมันยังกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้เราจำเป็นจะต้องเห็นความไม่มีเรานี้จนทั่งความรู้สึกว่าเป็นเรานี้มันดับไปเลยมันดับไปเลยหมดจดเลยไม่มีอะไรหลงเหลือข้างคาอยู่ใ น, ในใจิตใจเลยถ้ามันดับจริงๆความสงสัยก็จะไม่เกิดขึ้น มีครั้งหนึ่งพระอินมีปัญหาเพราะว่าพระอินเนี่ยมีทุกข์มากรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายแนละ้วจะต้องตายจากเทวโลกแล้วก็รู้ว่าจะต้องมีพระอินองคใหม่มาแทนก็เกิดความอาลัยอาวรณ์ต่อทรัพย์ต่อสมบัติที่ตัวเองมีในเทวโลกนั้นก็มีความทุกข์ใจมากก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าู้ื่อเจ้าเปิดโอกาสแล้ว พระ อ, อินก็ถามว่าทาไมมนุษย์เทวดานาอสูแล้วก็สัตว์ทั้งหลายไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีเวรไม่อยากมีใคยไม่อยากมีการเบียดเบียนไม่อยากมีค่าศึกตูแล้วทำไมจรงยังมีค่าศึกตูอยู่เล่าพระเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอสูรเป็นนาเป็นคนพันเป็นสัตว์อื่นเหล่าอื่นก็ตามทั้งทั้งที่ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีเวรไม่อยากมีภัยไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีฆ่าศัตรูไม่อยากมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทําไมจึงต้องมีการเบียดเบียนกันอยู่เล่ากระเจ้าข่ามีอะไรเป็นเครื่องขู่มันมีอะไรหรือที่เป็นต้นตอเป็นต้นเหตุเป็นเขามูล พรเจ้าก็ตอบว่าก็มีความตนีและความลิสยาอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่า น, นสอนตามอัธยาศัยของพระอินในเพื่อพระอินเนี่ยกำลังห่วงใยต่อสมบัติแล้วก็ลิสยาว่าพระอินองค์ใหม่มาจะต้องเอาสมบัติไปหมดพูะเจ้าก็เลยสอนลงไปที่ต้นตอต้นเหง ว่าเป็นเพราะมีความตนีแล้วความดิสหยาตนีนี่คือทนไม่ได้ที่คนจะมาเอาสมบัติของตัวองดิษยาทนไม่ได้ถ้าสมบัติของคนอื่นมันมากกว่าดีกว่าเราหรือถ้าเราอยากได้สมบัตินั้นเขามีสมบัติที่เราไม่มีเราก็ริษยาได้พรยิงก็ถามต่อไปอีกเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรพรยิงก็ถามต่อไปอีกแล้วความตนี และความลิษยามาจากไหนพระเจ้าขา่ะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นต้นตอเป็นเข้าเป็นมูลเป็นแดนเกิดพระเจ้าก็ตอบว่าความตณีและความลิษยานี่มีสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิดนี่แสดงว่าในกระแส จ, จิตของเรามันรวดเร็วมากมันรักใครอะไรมันก็ห่วงใหญ่มันก็ไม่อยากให้ใครมาเอาไป คใครเอาไปใครได้เหมือนเราไม่ได้เขาได้เราก็ริษยาเขาพระอินเข้าใจอีกแล้วว่าอ๋อมันมีสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นที่รักและเป็นที่รักมันมาจากไหนคือจะถามไปหาต้นตอสาเหตุที่มันเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้ได้พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสิ่งอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักอ่มันมาจากฉันทะคือความพอใจ ความพอใจเราอยากได้อะไรเราพอใจพอใจอยากได้มันมันเกิดความพึงพอใจขึ้นมาพอได้มาแล้วมันก็ลักใครถ้าไม่อยากได้อะไรถ้าได้สิ่งที่ได้มามันก็ไม่เป็นทิรักผู้เจ้าก็ตอบไปแล้วพระ อ, อินทรก็เข้าใจว่าสิ่งอันเป็นทีิรักและไม่ทิรักมาจากความพอใจถ้าพอใจตามหน้าของเราครับเก้าหน้าพุทันถึ แล้วความพอใจนี่มาจากไหนมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นข้อมูลมีอะไรเป็นแดนเกิถามผู้เยาต่ตอไปผู้เยาวก็ตอบว่าความพอใจมาจากวิตกคือความคิดความคิดตัดสินว่ามันดีสำหรับเรามันเหมาะสำหรับเราเวลากระทบกับอะไรปั๊บเดี๋ยวมันจะมีการตัดสินขึ้นมา ว่าไปเห็นอะไรสวยงามปั๊บมันจะตัดสินว่าอันนี้เหมาะสําหรับเราถ้าได้มาเราจะมีความสุขนี่มันตัดสินมันมาจากความคิดมันก็จะเลยความพอใจเมื่อพอใจแล้วได้มามันก็รักใครใหญ่ๆจากนั้นมันก็มีความตนีพอมีความตนีแล้วก็มีความหวงแหนหวงแหนแล้วก็จะอลักาขาป้องกันนี่คือปัญหาของโลก ปัญหาของโลกเนี่ยมันมาจากจิตจิตที่มันรวดเร็วมากพออินฟังมาถึงตรงนี้ปับ๊บแล้วพี่ตกมาจากไหนไอความคิดเนี่ยมันมาจากไหนผู้เจ้าตอบว่าความคิดนั้นมาจากสัญญาเป็นสัญญาที่หลงผิดสัญญาที่จําผิดผิดเป็นสัญญาที่ซับซ้อนมากซ่อนอยู่ในจิตกุ้มลุมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นจิตทุกดวง มันจะมีสัญญาซับซ้อนเต็มไปหมดเลยด้วยอำนาจของอวิชาตันหาอุปท า, านมันก็สร้างสัญญาเพื่อตัวเพื่อตนขึ้นมาเพื่อเราเพื่อของเราขึ้นมาเต็มอยู่ในจิตใจเพราะฉนั้นเวลาพบเห็นอะไรมันก็จะตัดสินตัดสินคิดปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เหมาะสําหรับเรา น, นี้ไม่เหมาะสําหรับเราอันนี้ดีสําหรับเราอันนี้ไม่ดีสําหรับเรา มันมีการที่สัญญาซับซ้อนเนี่ยมันทำงานอยู่ตพระอินฟังปั๊บเข้าใจทันทีเลยรู้ว่าถ้าจะดับต้นต่อต้นเหตุดับต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ต้องมาดับตรงสัญญานี้ขอากาบทูลถามพระโอวาแล้วปฏิบัตาที่เป็นเหตุที่จะทำให้ดับสัญญานี้ได้ดับสัญญาซับซ้อนนี้ได้จะทำยังไงพระเจ้าค่ะพระเจ้าสอนกรรมฐานทันทีเลย บอกวิธีที่จะสามารถเอาชนะความเร็วของสัญญาเหล่าเทวดาพื่สอนให้สังเกตดูเวทนาคือเทวดานี่เวทนาเขาทางจิตใจชัดเจนส่วนมนุษย์นี่เวทนาทางกายชัดเจนแต่เทวดานี่ร่างกายของเขาเนี่เป็นร่างกายที่ละเอียดเวทนาทางกายไม่ค่อยมียมีเวทนาทางจิตเพราะเขามีความสุขอยูเอย่เลยพอกระทบกระเทือนอะไรหน่อยก็จะมีความทุกข์มีความไม่สบายขึ้นม ผู้เจ้าก็เลยให้สังเกตว่าให้สังเกตตรงวิถณะวทนาไหนควรเสพเวลาไหนไม่ควรเสพเขามาควรเสพในที่นี้ก็คือว่าควรดูควรเข้าไปเกี่ยวข้องควรเข้าไปใช้สอนมันอย่างเช่นเราเจ็บขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราอดทนหน่อยเราทนดูหน่อยทนดูแล้วก็จิตเราเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเราก็มีปัญญาขึ้นมาว่าเออความเจ็บไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้อย่างนี้ควรดู ควรใช้เวทนานั้นให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหาว่าเวทนามันเจ็บมันบีบคั้นมันรุนแรงมันทนไม่ไหวกินเราฟุ้งซ่านเราไม่อยู่วทนานี้ไม่ควรเสร็จเราควรจะเปลี่ยนอาจจะขยับนิดห น, น่อยอาจจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ะดับแต่ถ้าหาว่ามันเจ็บขนาดไหนก็ตามแต่ว่าแหมมันรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยมีปัญญาชัดเจนแจ่มแจ้งมันไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องของร่างกายเท่า น, นั้นไม่ใช่จิต จิตสามารถปล่อยวางได้จิตสามารถอยู่เหนือเวทนาได้ถ้าอย่างนี้ควรเสกนีพุยเจ้าก็สอนลงที่เวทนาว่าเวทนาไหนควรเสกเป็นไหนี่ควรเสกสุข เ, ขเวทนาก็ตามทุกเขเวทนาตามเดีย๋ยวว่าจิตเราไม่เป็นสุขขึ้นมาเรารู้ว่าเป็นสุขเราก็ได้ปัญญาขึ้นมารู้ว่าไอ้สุขนี้ไม่ใช่เรารู้ว่าสุขนี้ไม่เที่ยงรู้ว่าสุขนี้มันอยู่ข้างมันมันเพิ่งเกิด มันเกิดแล้วมันก็ดับไปถ้าอย่างนี้เราดูมันได้แต่ถ้าสุกเนี่ยแมเรารู้สึกว่าจมอยู่กับมันมีความพอใจอยู่กับมันโดยที่ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้ว่าพอใจสุกก็ไม่รู้ว่าสุกมันลืมตัวไปแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ควรเสรจนี่พระเจ้าก็สอนกรรมาฐานนะให้มาดูต้นตอของมันก็คือตัวเวทนา ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในใจิตใจพยินฟังได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าประทานให้ปักจิตหมุนตัวย้อนเข้ามาดูข้างในดูการทํางานของจิตตัวเองเห็นอาการของมันทั้งหมดเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปพยินก็สามารถบรรลุปัสสาวดับานได้ในวันนั้นอันนี้ก็พอที่จะเอามาเป็นตัวอย่างว่า แม้เราก็เหมือนเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติแล้วก็ให้รู้เท้าถึงจิตใจก่อนพอเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากผิดของเรามันมาจากสัญญาผิดๆหลงผิดๆถ้าเราทําความดีบ่อยๆเราก็จดจําสิ่งดีๆเอาไว้ Hawaii. แล้วก็เวลาเราคิดก็คิดดีก่อแต่ว่าสัญญาดีๆขนาดไหนก็ตามถ้ามันมีเราอยู่มีเราอยู่มีต า, ามีตัวตนนี้ มันก็ยังก่อเติดทำให้เราวนเวียนในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีกว่าประเภทที่ทำไม่ดีแล้วสัญญาไม่ดีมันก็คุ้มลิม้นจิตอย่างคิดไปในทางไม่ดีทำไม่ดีทั้งสองอย่างก็ยังทำให้เวียนว่ายตายตัวนอกจากว่าวันลิ้นเข้าทันจิตใจของเราเอง สัญญาดีก็ต้องเถียงสัญญาไม่ดีก็ไม่เทียงดับสัญญาเพื่อสัญญามันดับสัญญาผิดผิดก็คือสัญญาที่มันเหนีอววิชาเป็นตัวชักใหญ่อยู่มล้ก็ดับ